สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเยซูตอนที่ห้าร้อยสีสิบหกเรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ห้าสิบเอ็ดพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าในช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบสองข้อที่สามและข้อที่สี่นะครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่าน จะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องหลั่งเลือดเลยพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้จบลงที่ตรงการที่เราจะต้องเพ่งมองพระเยซูสายตาของเราต้องจับจ้องอยู่ที่พระเยซูและเราจะต้องเห็นว่าใครที่รอเราอยู่ที่เส้นชัยครับคําตอบก็คือพระเยซู พร้อมท้งบรรดาบรรดชนแห่งความเชื่อที่เขาวิ่งเส้นทางนี้สําเร็จแล้วเส้นทางนี้คือเส้นทางที่นําเราไปสู่แผ่นดินสวรรค์เป็นเส้นทางที่ทําให้เราได้ชัยชนะพระเยซูได้ชัยชนะแล้วพระเยซูสําเร็จการภารกิจของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นพระเยซูประทับ ท, ที่เส้นชัยคอยเราอยู่ครับ เราคอยบันดาน้องๆของพระองค์ที่กำลังวิ่งแข่งอยู่ก็คือพวกเราทั้งหลายที่วิ่งแข่งไม่เสร็จในวันนี้นะครับผู้เขียนฮีบรูก็เน้นและย้าว่าเคล็ดลับข้อต่อไปก็คือว่าให้เราพินิตคิดถึงพระเยซูให้มากการคิดถึงพระเยซู บ, บ่อยๆให้มากครั้งเท่าที่จะมากได้เป็นเคล็ดลับข้อหนึ่งนะครับพระเยซูทำอะไรเพื่อเรา พระเยซูเป็นตัวอย่างของเราเราคิดถึงพระเยซูบ่อยๆเราก็จะใกล้ชิดเจริญกับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและเมื่อเราเข้าสนิทอยู่กับพระองค์มากยิ่งขึ้นเราก็จะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นพระเยซูได้ทรงทนการติเตียนคำลินทาว่าร้ายของคนบาปมากมายมหาศาลแต่การทิ้นประชนการทนทุกข์ของพระองค์นั้นก็เป็นตัวอย่าง เพื่อเราทั้งหลายจะไม่อ่อนล้าไปเราทั้งหลายจะไม่ท้อแท้ท้อใจถดถอยและเลิกไปพี่น้องครับผู้เขียนพยายามที่จะยกภาพเปรียบเทียบของการวิ่งทางไกลหรือว่าวิา่งมาราธอนต่อไปและท่านก็เตือนความจําให้เราคิดถึงพระเยซูบ่อยๆนะครับคิดถึงนะครับพินิษพิเคราะห์คิดถึงพระเยซูนะครับพระเยซูผู้ทนการติเตียน เพื่อเราจะไม่อ่อนหนาและอาจใจเพื่อเราจะไม่อ่อนละอาใจนะครับคำว่าติเตียนนินทานั้นมีความหมายว่าการต่อต้านครับพี่น้องครับโดยทั้งประโยคนั้นความหมายก็คือให้เราระลึกว่าให้เราลึกตลอดเวลาว่าพระเยซูทรงยอมทน ต, ต่อการต่อต้านอย่างหนักพระเยซูยอมทนต่อการข่มเหงอย่างหนักมากมายขนาดไหนดังนั้นเอง เมื่อเรามีพระเ ย, ยซูเป็นต้นแบบเราต้องไม่ท้อใจครับเมื่อเราเจอการต่อต้านเมื่อเราเจอการข่มเหงเมื่อเราเจอใครก็ตามที่ทําให้เราละอายแต่เราจะไม่มีความละอายหรือใครก็ตามที่ทำให้เรากลัวแต่เราก็จะไม่กลัวพี่น้องครับใครเราคิดถึงพระเ ย, ยซูคิดถึงพระเ ย, ยซูและเราจะไม่ท้อใจเมื่อเราเจอการต่อต้าน หลายหลคนนะครับอาจจะหวั่นไหวพี่น้องที่เชื่อใหม่ยังอาจจะหวั่นไหวในความเชื่อบ้างเพราะว่าเรากำลังก้าวออกจากวัฒนธรรมความเชื่อเดิมมาถึงวัฒนธรรมความเชื่อของพระเจ้าเราก็จะต้องมีการต่อต้านอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องไม่ท้อใจนะครับเราจะต้องสู้รบกับความบาปนะครับเราต้องสู้รบกับความไม่มั่นใจเราจะต้อง มีจิตใจเข้มแข็งที่จะไม่ท้อใจเพิ่มพีกล่าวว่าเรายังไม่ได้สู้รบกับความบาปจนถึงขนาดต้องตกเลือดหรือโลหิตตกครับนั่นหมายความว่าพระเยซูนะครับต่อสู้เพื่อเราพระเยซูลงเอยด้วยการหลังโลหิตหลังพระโลหิตของพระเยซูเพราะจุดยืนของพระองค์พี่น้องครับพวกเรา ยังไม่มีใครเลยใช่ไหมครับที่เจอกับการต่อต้านในระดับนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้ต่อไปครับพี่น้องเราจะต้องมีกำลังใจครับปัามพีบอกว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับคนอื่นๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการทดลองที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเคยเกิดขึ้นกับคนอื่นครับและงมีคนที่หนักหนาสาหัสมากกว่าเรานะครับ หลังจากนี้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูก็เสริมความกดดันไปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราจะต้องเต็มใจยอมรับยอมทนนั่นก็คือความเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะตีสอนเราพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะไปถึงประเด็นนี้ครับความเป็นไปได้ที่จะถูกพระเจ้าตีสอนพระบิดาในสวรรค์ของเรารักเรานะครับและหลายครั้งพระเยซูหรือหรือพระเจ้าก็ตีสอนบุตร ทั้งหลายของพระองค์ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าอย่า ง, งอนอย่างอนพระเจ้าอย่าผิดหวังพระเจ้านะครับเราต้องยอมทนต่อการตีสอนนั้นๆครับพี่น้องครับในข้อที่ห้าข้อที่หกนะครับพระพี่บอกว่าเราเตือนท่านเหมือนกับเตือนลูกพระบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าระอาใจเมื่อพระองค์ทรง ต, รงติเตือนท่าน เพราะองค์พระบุญเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เตือนให้ผู้อ่านเนลึกถึงสุภาษิตบทที่สามข้อสิบเอ็ดสิบสองสุภาษิตบทที่สามข้อเอ็ดสิบเอดบสองได้กล่าวว่าการตีสอนขององค์พระบินเจ้านะครับยาระอาใจเมื่อพระองค์ทรงติเตียนหรือเตือน สอนตีสอนท่านถามว่าทําไมครับทําไมถึงท้อใจไม่ได้ครับทําไมถึงอย่ากท้อใจอย่าอ่อนนาราใจเพราะพระเจ้าทรงรักลูกๆของพระองค์ครับพระองค์ถึงตีสอนพระองค์จะไม่ทรงตีสอนถ้าไม่จําเป็นครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเรานั้นได้รับการตีสอนนั่นหมายความว่าถึงเวลาและวาระที่จําเป็นพระเจ้าก็ตีสอนเราพระภีมบอกว่าเราจะต้องทนนะครับ เราอย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระเจ้ า, อ ย, า, อ, า อ, อย่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญอย่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่เราต้องให้ความสําคัญนะครับเราต้องรับสารที่พระเจ้ากําลังสื่อกําลังสอนเราในข้อเจ็ดและข้อที่แปดครับถ้าท่านทั้งหลายทนการตีสอนพระเจ้าย่อมปฏิบตัติต่อท่านเหมือนกับท่านเป็นบุตรด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตี สอนเช่นเดียวกับคนทั้งปวงท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อพี่น้องครับผู้เขียนพระธรรมฮีบรูกรำลังบอกว่าการตีสอนนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าแท้นะครับปกติในชีวิตธรรมดาพ่อคนไหนที่รักลูกก็ย่อมจะตีสอนลูกครับเพื่อประโยชน์ของลูก นะครับไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพ่อพระบิดาของเราก็เช่นเดียวกันครับพรงค์ตีสอนบุตรของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเรา <Demon. S 2> นะครับในทางกลับกันครับคุณพ่อก็จะไม่ตีสอนคนที่ไม่ใช่เป็นลูกนะครับบิดาก็จะไม่ตีสอนเด็กที่ไม่ใช่เป็นบุตรของตนนะครับเขาย่อมตีสอนบุตรของตนเท่านั้นประเด็นที่สําคัญที่ที่นี่ก็คือว่าพระเจ้าทรงตีสอนบุตรทั้งหลายของพระองค์นะครับ ถ้าว่าเรารับการตีสอนเราก็ต้องดีใจนะครับเราต้องยอมรับการตีสอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่เป็นหลักฐานเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราเป็นบุตรแท้ของพระองค์จริงๆของบิดาของเราจริงๆนะครับในข้อที่เก้าครับสุดท้ายในวันนี้ก็คือเราทั้งหลายมีบิดาตามเนื้อหนังที่ได้ตีสอนเราเราก็นับถือบิดานั้น ยิ่งกว่านั้นเราควรจะยำเกรงรบนอบต่อให้บิดาแห่งจิตวิ ญ, ญญาณของเราบนสวรรค์และจำเริญชีวิตตามน้ำมัยของพระเจ้าเรื่องนี้นะครับเราสามารถอธิบายได้อย่างนี้ครับว่าบิดาฝ่ายเนื้อหนังของเราในโลกนี้ตีสอนเราครับแรกๆกการตีสอนนั้นไม่เป็นที่ชื่นใจครับเราไม่ชอบเด็กๆไม่มีใครชอบว่าถูกพ่อและถูกแม่ตีแต่เมื่อโตขึ้นเราก็ขอบคุณเราเคารพเรากตันอยู่ต่อท่าน เราควรจะได้ยำเกรงรอบรอบต่อพระบิดาแห่งสวรรค์เช่นเดียวกันครับเราควรที่จะสำแดงการขอบพระคุณนะครับการกระตันยูรู้คุณในพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ตรีสอนเราเราวร่วงยำเกรงรอบรอบต่อพระบิดาแห่งจิตวิ ญ, ญญาณและจำเนจรชีวิตจำเนินชีวิตก็คือพัฒนาชีวิตตามรูปแบบของการตรีสอนลึกตามวัตถุประสงค์ของการตรีสอนนั่นเองนะงกับการตรีสอนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญครับ ขอสรุปในเช้าวันนี้นะครับก็คือเราจะต้องยอมรับการตีสอนนะครับแต่เวลาที่เราพบกับความทุกข์ยากลาบากเราก็ต้องจับจ้องมองดูที่พระเยซูพินิษและคิดถึงพระเยซูครับดูว่าพระเยซูนั้นได้ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมรับความทุกข์ทรมานยอมรับการต่อต้านขนาดหนักทําให้เรามีเรียกว่าใจชื้นครับมีกําลังใจขึ้นมานะครับ ในขณะที่เราเจอกับความทุกข์ยากลําบากแต่ในขณะที่เราเจอกับการตีสอนนะครับอันนี้เป็นบททดสอบจากพระเจ้าพระเจ้าตีสอนเราทําให้เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกแท้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราออกเป็นสองส่วนนะครับขอพระเจ้าทรงนําชีวิตของท่านในวันนี้อาเมน